วัฒนธรรมการขบฉันช่วงที่ชุนลมุนที่สุดของวันคือช่วงเวลาที่พระทั้งหมดกลับจากบินทบาทล้างเท้าแล้วขึ้นศาลาจัดอาหารส่วนที่จะฉันลงบาดเอาบาดขึ้นมาวางบนขาตั้งบาดบางองค์ปิดฝาบาดด้วยผ้าแล้วจึงมาร่วมกันจัดแยกกระจายอาหารส่วนที่เกินจากการฉันไปตามที่ต่างๆแต่ก่อนที่จะจัดอาหารให้ผู้อื่น ต้องจัดอาหารให้ตนเองเสียก่อนรับบาทมาได้เท่าไรจัดแยกเอาเฉพาะที่จะฉันไว้ในบาทโดยอาหารทุกอย่างต้องใส่รวมกันไว้ในบาทมแม้จะได้น้ําแกงจืดแกงเผ็ดแกงเลียงก็แยกใส่ถ้วยไม่ได้ต้องเทรวมลงไปในบาทต้องฉันแต่ในบาทถ้วยที่ใช้มีอยู่ใบเดียวมีไว้ฉันน้ำถ้าใส่แกงแล้วจะใส่น้าฉันไม่ได้ อาหารจากโรงครัวของฝ่ายโยมที่ทามาถวายจะมีวันละ 2- ถึงสอย่างทุกวันจะแยกไว้พระที่ดูแลเรื่องการจัดอาหารจะนำอาหารส่วนนี้ไปใส่ตามบาทที่ไม่ปิดผ้าท่านจะตัดอาหารอย่างละนิดใส่ในบาทตามที่ท่านเห็นสมควรเวลาที่ใช้ในการจัดอาหารประมาณ30นาทีพระที่คอยดูแลพ่อแม่ครูอาจารย์จะต้องจัดการอาหารของท่านให้เป็นที่เรียบร้อยน้ำและเครื่องดื่มทุกชนิดจะวางแยกไว้ต่างหาก เมื่อจัดอาหารเสร็จแล้วหลวงตาเป็นผู้นำสวดให้พรญาติโยมที่อยู่รายรอบศาลาและก่อนจะเริ่มฉันพระทุกรูปต้องพิจารณาอาหารที่จะฉันการที่ต้องพิจารณาก็เพื่อให้มีสติว่าฉันไปทำไมฉันเพียงพอสมควรให้มีชีวิตอยู่ได้อาหารนี้เป็นอาหารบริสุทธิ์หรือไม่สมควรที่จะฉันแค่ไหนอย่างไรแม้ว่าให้พรไปแล้ว แต่ก็ควรกำหนดจิตประลึกอยู่ตลอดเวลาอุทิศส่วนกุศลให้สัตว์ที่ตกมาเป็นอาหารของเราความละเอียดสุขุมในแต่ละก้าวที่หลวงตาพาดำเนินเป็นทางที่ควรปฏิบัติแรกๆก็ไม่ค่อยเข้าใจเห็นพระนั่งข้างๆท่านพิจารณาอาหารในบาททั้งที่ผ้ายังปิดอยู่แอบชำเลืองดูว่าเมื่อไรจะฉันกันเสียทีฉันเพียงวันละมือ้อคือเช้ามื้อเดียวขณะจัดอาหารที่รับบาตมาจิตใจก็ฟุ้งซ่าน ไอ้นั่นก็น่าอร่อยไอ้นี่ก็ดูดีใจมันไปกับอาหารเสีหมดสิ้นผ่านให้ลำไส้ขยับเสียงท้องร้องดังได้ยินออกมาข้างนอกเหมือนเสียงน้ำวิ่งอยู่ในท่อประปาความหิวบวกกับความอยากกินทำให้น้ําย่อยหลั่งออกมาสนุกคลื้นอยู่ในท้องพอหลวงตาให้พรเสร็จก็เปิดฝาบาททันที แต่เห็นพระที่นั่งติด ก, กับเรายัางพิจารณาไม่เสร็จมือที่จุ่มลงในบาทเตรียมหยิบอาหารต้องหดลงนั่งนิ่งเพราะพระรูปอื่นๆบนสาลาก็ยังพิจารณากันอยู่ทั้งหมดแม้กระทั่งหลวงตาจนท่านกระแอมดังๆเป็นสัญญาณให้พระทุกรูปเริ่มฉันได้นั่นแหละจึงได้เปิดผ้าคลุมบาทออก ณฉันในวันแรกเผลอไปหยิบอาหารจากถาดมาฉันอีกหลวงตาต้องคอยเตือนโดยการพูดสอนในขณะที่ฉันอาหารถ้าไม่อยากใส่รวมกันก็แยกไว้ในบาทเป็นอาหารไว้ข้างหนึง่งขนมไว้ข้างหนึง่งฉันพออยู่ท่านไม่มีทางเห็นเราได้เลยเพราะเป็นพระบวชใหม่นั่งอยู่ห่างจากท่านมากและยังหันหลังให้ท่านอีกด้วยแลวท่านเห็นได้อย่างไร หลวงตาใช้เวลาฉันอาหารไม่เกิน20นาทีท่านน้อยฉันเร็วที่สุดท่านเสร็จงานทีหลังและต้องฉันให้เร็วที่สุดเพื่อให้เสร็จก่อนจะได้ดูแลหลวงตาไม่เคยปรากฏว่ามีพระรูปไหนที่ฉันได้เร็วเท่าหลวงตาใช้แสบปัดแมลงเคาะพื้นศาลาเป็นสัญญาณให้บรรดาสิทธิ์ทั้งหลายขึ้นมารับประทานอาหารพร้อมเพรียงกันในขณะนั้นหลวงตาจะล้างมือทําความสะอาดรอบที่นั่ง ซึ่งหน้าที่ดูแลเป็นของท่านน้อยและพักผรอนอิรยาบทเล็กน้อยเสียงข้อพื้นศาลาพร้อมกับเสียงกระแอมของหลวงตาเป็นของคู่กันเป็นเสียงที่ได้ยินไปทั่วศาลาทุกคนรู้อนัตสัญญาณเป็นอย่างดีต่างขึ้นศาลามารับถาดอาหารที่จัดแบ่งไว้แล้วโดวยทั่วถึงกันกลุ่มใครกลุ่มมันต่างเอื้อเฟื้อกันอย่างดีสมกับเป็นลูกศิษย์หลวงตา วันหนึ่งด้วยความอยากได้ของเปรี้ยวเค็มเพราะวันนั้นมีผู้มาถวายส้มตำมะละกอสับใส่หม้อเคลือบมาเต็มหม้อกลิ่นมันหอมยวนใจท่าทางอร่อยดีแท้น้ำลายสอเต็มปากท้องไส้ปั่นป่วนขึ้นมาทันทีอาหารที่ได้รับบาดมาไม่มีส้มตำเห็นพระกำลังตักส้มตำใส่บาดตามที่เปิดผ้าไว้เยียวตัวย่องไปเปิดผ้าคลุมบาดด้วยหวังว่าเพื่อนพระคงเมตตาใส่ในบาดให้บ้าง แล้วก็ออกไปช่วยทำอย่างอื่นพอได้เวลาย่องกลับมาที่นั่งเห็นบาดตัวเองและหูเราะในใจในบาดเต็มไปด้วยอาหารานานาชนิดเต็มจนล้นบาดแต่หาส้มตามที่อยากฉันไม่เจอโทษตัวเองที่มีความอยากและถูกกิเลสยั่วยุจนหมดความละอายเลยได้ผลเป็นอย่างเนี้ยมีอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเล่าสู่กันฟังไว้เป็นอุทาหรณ์สาหรับผู้ที่จะบวช ระต้องออกบินธบาต ท, ทุกเช้าและอาหารที่ได้รับจากญาติโยมในแต่ละครั้งมีหลากหลายชนิดหากเป็นวันธรรมดาก็มีพอสมควรวันเสาร์และอาทิตย์จะมีมากจนเหลือเฟืออาหารที่ชอบมากคือข้าวเหนียวกับกุนเชียงทอดซึ่งได้รับบ่อยมากง่ายในการเตรียมถึงขนาดนึกอยากชันในตอนเย็นด้วยวันหนึ่ง นึกถึงความอร่อยของกุนเชียงทอดกรอบหวานหวานมันๆเคี้ยวเพลินเช้า ว, วันนั้นไปบินธบาศเช่นเคยมีผู้ใส่บาศกุนเชียงของชอบมาด้วยจัดอาหารใส่บาศบรรจงวางกุนเชียงของชอบตรงกลางบาศตั้งใจว่าจะฉันให้เต็มที่ข้าวเหนียวร้อนๆกับกุนเชียงทอดมันเข้ากันเลยเกินและปิดฝาบาศเรียบร้อยได้เวลาฉัน เลือกอาหารในบาดใส่เข้าปากแต่หากุญเชียงดุนนั้นไม่เจอหาอยู่เป็นนานด้วยความระมัดระวังขวานไปทุกที่ก็ไม่เจอหลวงตาท่านอิ่มแล้วท่านน้อยเลื่อนของหลวงตาออกหมดแล้วพระทุกรูปเริ่มขยับด้วยความรวดเร็วจึงเป็นอันต้องเลิกฉันต้องความบาดลงถาดเจ้ากรรมจริงๆกุญเชียงที่หาอยู่นานตั้งเด่นเห็นทนโทษอยู่เป็นกองอาหารกลางถาด ตาทํานองเยอะเย้ยว่าความอยากฉันทำให้มองไม่เห็นหาจนทั่วแล้วยังหาไม่พบบาทเล็กขนาดนั้นหากุญเชียงเจ้ากรรมไม่เจอได้อย่างไรไม่เชื่อก็ต้องเชื่อการเป็นพระรูปสุดท้ายและเนนเนี่ยเป็นภาวะจำยอมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนนน้อยเพราะการฉันอาหารมื้อเดียว พระจะต้องรู้จักประมาณอาหารที่จะฉันให้เพียงพอจะต้องเผื่อสะสมกำลังวังชาไว้เยอะๆกะไปรับกาแฟตอนเที่ยงอีกหนึ่งยกใส่น้ำตาลหวานๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งโ อ, อุวะกาแฟดำร้อนต้องใส่น้ำตาลมากเป็นพิเศษเพื่อเสริมพลังงานบวชเข้ามาในวัดวันแรกๆยังติดรถจัดโยมจะจัดเครื่องปรุงมาให้หนึ่งชุดเป็นประจาเพิ่มการเจริญอาหารประกอบด้วย น้ำปลาพริกน้ำพริกนรกน้ำพริกตาแดงและสารพัดน้ำพริกส่งต่อกันมาเรื่อยๆกว่าจะถึงพระบวชใหม่ก็หมดเสียแล้วปริมาณมันน้อยพระตั้งสี่สิบกว่ารูปวันต่อมาก็ตั้งตาคอยพยายามชันช้าๆรอถาดปรุงรสแต่ก็เหมือนแกล้งพอมันถึงเราน้อยก็น้อยและพระหัวแถวเริ่มลุกแล้วโดยเฉพาะท่านน้อยลุกขึ้นจากอาสนะแล้ว ก็ต้องปล่อยให้ผ่านไปไม่ต้องพูดถึงเนนที่นั่งต่อจากพระบวชใหม่ผมเองจำได้ว่ามีเนนต่อจากผมคือท่านสุลานและเนนอีกสามถึงสี่องค์ก็ต้องอดเหมือนกันเหตุการณ์เป็นอย่างนี้อยู่หลายวันจนต้องละาวางความอยากเห็นเป็นเรื่องไม่จำเป็นต้องอาศัยสิ่งปรุงรสกิจวัตรประจำวัน เสร็จจากอาหารเช้าแล้วทุกคนในศาลาเตรียมพร้อมฟังเทศของหลวงตาพระเนนต่างแยกย้ายไปล้างบาดผึ่งผ้าจีวรที่ห่มไปในตอนเช้าเราตากผ้าจะจัดไว้ด้านหลังศาลาและหลายแถวไม่มีการผึงผ้าไว้ด้านข้างหรือหน้าศาลาทั้งนี้เพื่อความเรียบร้อยสวยงามพระส่วนใหญ่จะรีบล้างทําความสะอาดบาดเช็ดและผึ่งให้แสงอาทิตย์ฆ่าเชื้อโรคจากนั้นจะรีบมุดเข้าใต้ขุนศาลาหรือจะรีบย่องขึ้นบนศาลา มาใส่ห้องเล็กๆด้านหลังหลวงตาเพื่อฟังเทศท่านน้อยรับหน้าที่บันทึกเทปการเทศของหลวงตาทุกวันด้วยเครื่องอัดเสียงที่ค่อนข้างจะล้าสมัยและไม่ได้ใช้ลำโพงผู้ที่อยู่ท้ายศาลาจะไม่ค่อยได้ยินทําให้หลวงตาต้องเทศเสียงดังหลวงตาเทศแบบนี้มาเป็นเวลานานปีโดยไม่มีใครดูแลด้วยเพราะเกรงหลวงตาจะดุหลังจากเวลาฉันเช้าแล้ววัดทั้งวัดจะเงียบลงทันที พระแต่ละรูปจะรีบยากย้าย ก, กลับไปกุติทั้งวัดมีพระเนรอยู่ 30-40 ถึงรูปทางเดินที่แยกไปตามกุติต่างๆไม่มีป้ายบอกทางทางเดินนี้ใช้เป็นทางรถเข็นน้ำด้วยลัดเลาะไปตามพุ่มไม้หนาทึบแสงสว่างลอดเข้าไปไม่ถึงจึงร่มครึ้มดูวังเวงน่ากลัวทางเดินไม่กว้างแค่พอเดินได้เดินครั้งใดเป็นได้หลงทุกที จะใช้เวลานี้เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเป็นการขจัดความง่วงความอึดอัดหลังจากฉันอาหารเช้าหากรูปใดมีงานค้างอยู่ก็ไปทําต่อเช่นท่านยศเป็นผู้ที่ถนัดในการทําตาดหรือไม่กวาดมีการดัดขแขนงไผ่ให้ตรงด้วยเทียนไขผูกมัดรวมกันทําเป็นไม้กวาดใช้กันทั้งวัดได้เวลาเที่ยงจากการสังเกตว่า แดดตรงหัวเมื่อไรก็จะเป็นเวลาชันน้ำปานะกาแฟ ى, หรือเครื่องดื่มอื่นแล้วแต่จะเลือกแม้พระทั้งวัดจะชุมนุมกันอยู่แต่จะไม่เคยได้ยินเสียงพระหัวเราะกันคลื้นเครงเลยพูดกันด้วยเสียงเบาๆพอได้ยินกันสองรูปเสร็จแล้วก็แยกย้าย ก, กันกลับกุฏิของแต่ละรูปบ่ายแก่ได้เวลากวาดลานวัดทั้งบริเวณต้องคอยเงี่ยหูฟังเสียงกวาดลานวัด ที่จะดังแกรกรากขึ้นทีละนิดทีละนิดพวกชอบกวาดลานวัดก็กวาดพวกชอบขัดพื้นศาลาก็ขัดไปพวกปั๊มโยกน้ากับพวกเข็นน้าจะรวมตัวกันโยกน้ำจากบ่อใส่ปิบ๊บรถเข็นคันหนึ่งคนได้ประมาณหปิบ๊บพระเข็นน้ำสองรูปต่อหนึ่งคันวิ่งจากจุดโยกน้ำไปใส่ห้องน้ำพระและคารวาสทั้งหมดต้องทำความสะอาดห้องน้ำทั่วบริเวณให้สะอาด การโยกน้ำต้องใช้คนหลายคนและต้องแข็งแรงเป็นการให้พระได้ใช้พลังงานได้เป็นอย่างดีหลับเป็นตายทุกวันไม่ฟุ้งซ่านผมชอบขัดสาราเพราะได้ออกแรงบริหารหน้าท้องได้เหงื่อดีพอกับการเข็นน้ำสาราใหญ่ของวัดเป็นที่ฉันและทำพิธีต่างๆเป็นพื้นไม้ขัดเงาด้วยขี้พึ่งตามตำรับเดิมใช้ขี้พึ่งใส่กละมังใหญ่ ตั้งไฟให้ขี้พึ่งละลายใช้กะลามะพร้าวตักทาพื้นไม้ให้ทั่วแล้วใช้มะพร้าวแห้งทั้งลูกตัดครึ่งตามขวางเอากะลาตรงกลางออกเหมือนคว้านผลไม้เอาเมล็ดออกจนเหลือแต่เปลือกที่เป็นเส้นใหญ่นำมาเป็นเครื่องขัดพื้นโดยเอามือหมุนมะพร้าวครึ่งลูกนั้นตามใจชอบแต่ต้องหมุนทั้งสองมือสาาทั้งศาาขัดให้หมดขี้พึ่งจนเป็นเงาได้เหงื่อทั้งตัว น้ำหนักลดลงไปมากมาพราะเป็นอุปกรณ์ใช้ในการขัดพื้นไม่ต้องใช้อุปกรณ์ขัดพื้นสมัยใหม่เลืองเงินทองเป็นวัสดุพื้นบ้านที่ใช้มาแต่โบราณกาลได้ผลจนถึงทุกวันนี้การขัดสลาเป็นเครื่องเตือนใจให้ขัดกิเลสลดความสกปรกของจิตการเป็นพระต้องสำรวมไม่สมควรต้องออกกำลังกายอย่างคนธรรมดาที่ติดเข้ายิมหรือสาวน้า แตใช้การออกบินธบาตการทำงานกลางแจ้งเป็นการผ่อนคลายเป็นความพอดีของพระที่มีพระวินัยกำกับอยู่ไม่ฉันเกินควรไม่เน้นการออกกำลังกายเพราะพระไม่ต้องเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้ใหญ่โตเป็นมัดมัดเหมือนนักกล้ามนักมวยพระตัดจากโลกภายนอกแล้วเป็นผู้หาทางหลุดพ้นด้วยการบวชและมุ่งปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงเท่านั้น วัดอยู่อย่างพอเพียงแม้จะอยู่วัดได้เพียงไม่กี่วันแต่ก็ได้เห็นข้อวัดปฏิบัติที่นํามาใช้กับชีวิตประจําวันของคารวาะเราได้เป็นอย่างดีความละเอียดประณีตของหลวงตาเป็นแบบอย่างแก่พระทุกรูปในวัดความดุและเป็นระเบียบของหลวงตาทําให้พระยอมรับทุกองค์ สงบสงี่ยมเจียมตัวไม่กล้าแผลงฤทธิ์หรือยากตั้งสำนักเพื่อชิงศรัทธาและความเคารพนับถือจากลูกศิษย์ญาติโยมที่เข้าวัดก็เพื่อมาหาที่ระบายความทุกข์ความลําบากยากแค้นเข้าพบพระเพื่อมาปรับทุกข์หาความสบายใจในขณะที่วัดโดยทั่วไปมีการปัดเป่าความทุกข์ด้วยการให้พระประพรมน้ํามนต์ลงณหน้ า, นาทองเจิมหน้าเจิมตา ที่วัดป่าบ้านตาดไม่มีโบสถ์มีเพียงศาลาใหญ่หลังเดียวที่สร้างอย่างเรียบง่ายหลวงตามหาบัวท่านไม่ปล่อยให้ความสะดวกสบายรุกล้ำเข้ามาในวัดไม่มีหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ตูต้เย็นท่านถือข้อวัดปฏิบัติในการเป็นอยู่อย่างพอเพียงกุฏิพระทุกกุฏิมีเพียงที่นอนที่เป็นผ้าปูซ้อนกันบางๆมีกาต้มน้ากระติกน้าร้อนอัถบริขารและเครื่องใช้จาเป็นอื่นๆ หลวงตาท่านไม่เคยเก็บงิทรัพย์สินใดๆไว้เป็นของท่านเองเงินทองที่ได้รับจากการทำบุญของญาติโยมก็ส่งออกไปสงเคราะห์โลกทั้งหมดท่านไม่เคยคิดจะเก็บไว้สร้างโบสถ์วิหารเจดีย์ให้สวยงามหรูหราปิดทองอารามไปทั้งวัดกำแพงและประตูวัดศาลาและกุฏิทุกหลังยังคงเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงทุกหลังทาด้วยไม้ลงน้ามันเป็นสีธรรมชาติท่านยังคงอยู่และปฏิบัติอย่างพอเพียง ท่านรู้ว่ายังมีผู้ต้องการความช่วยเหลืออีกมากท่านจึงสงเคราะห์ออกไปสู่สัตว์โลกไม่มีประมาณทั้งคนและสัตว์ตัวอย่างเพียงเล็กน้อยที่ยกมาให้เห็นเช่นนักโทษที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำชายและหญิงโรงพยาบาลหลายแห่งมาขอการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ต่างๆเพื่อการรักษาพยาบาลอย่างไม่ขาดสายทั้งในประเทศไทยและประเทศลาวหลวงตามหาบัวได้เมตตาสงเคราะห์ทั้งหมด ลูกศิษย์ทั้งหลายได้รับการสั่งสอนด้วยการเทศที่ฟังง่ายท่านสอนให้รู้จักตัวเองให้เอื้อเฟื้อผู้อื่นไม่ฟุ้งเฟ้อทะยอทยานอยู่อย่างพอเพียงตามพื้นฐานของแต่ละคนมุ่งตัดกิเลสที่เป็นภัยแก่ตัวเองไม่เชื่อในอภินิหารโดยไม่มีเหตุผลท่านหมันเทศนาให้ทุกคนเร่งความเพียรทำความเข้าใจกับชีวิตและสิ่งรอบตัวโดยต้องรู้จักตัวเองเสียก่อน หลวงตาพร่ำสอนแม้กระทั่งการครองเรือนให้มีความเอื้ออาทรต่อกันในครอบครัวแนะนำทุกคนให้ทำงานตามหน้าที่ด้วยความสุขท่านสอนลูกศิษย์ด้วยวิธีต่างๆอย่างแยบยลท่านไม่ยกย่องคนเพียงเพราะฐานะรวยไม่เลือกที่รักมักที่ชังผู้ใดปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบก็จะได้รับความเมตตาจากท่านเสมอกับพระลูกวัดหลวงตาจะเข้มงวดอย่างมาก เราถือว่าใกล้ชิดกับท่านท่านจะเดินตรวจรอบวัดทั้งกลางคืนกลางวันพระทุกองค์ต้องมีความสำรวมระวังเร่งทำความเพียรภาวนาปฏิบัติข้อวัดด้วยความเข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวพระหนุ่มและหลายรูปได้รับการเตือนเรื่องเสือตีด้านข้างตบหลังให้ยอมแพ้กิเลสอยู่บ่อยๆแต่ถึงกระนั้นยังไม่วายมีพระหลายรูปถูกเสือตะปบไป ได้ตายจากชีวิตความเป็นพระไปก็หลายรูปผู้ที่เร่งความเพียรภาวนาอยู่ในวัดทั้งเดินจงกรมและปฏิบัติสมาธิภาวนาพยายามต่อสู้กับกิเลสตัณหาต้นเหตุของความวุ่นวายหากหาทางสงบได้ก็รอดไปส่วนผู้ที่วิ่งวนหลงไหลอ ย, อยู่ก็ไหลลงไปตามกิเลสตัณหาแม้เพื่อนพระคอยเตือนและให้สติอยู่เสมอก็ยังเอาไว้ไม่อยู่หลุดจากกำแพงของพระมจันไปก็หลายรูป